แถวนี้ผีดุหุ่นสยองสองทุ่มครึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่มีเรื่องเล่าและตำนานมากมายที่นักสึ่ษสาในวิทยาลัยเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเรื่องที่นิยมเล่าสู่กันฟังจนฮอตฮิตติดหูในสมัยนั้นคือเรื่องความสยองของรูปปั้นหุ่นผู้ชายที่ยืนเด่นไปสง่าอยู่หน้าแผานสถาปัตยกรรมเดิมทีรูปปั้นหุ่นถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ตึกสถาปัิยกรรมสร้างเสร็จและทํำพิธีเปิดตึกเรียนให้นักศึกษาเข้าไปเรียนตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสีของวิทยาลัยที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มีนักศึกษาหลายคนที่อยู่จัดเตรียมงานในวิทยาลัย กำลังช่วยกันทำอุปกรณ์การเชียร์กีฬาเวลาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังมาจากหน้าตึกสถาปัตยกรรมมื่วิ่งไปดูที่หน้าตึกพบร่างของนักศึกษาชายนอนเสียชีวิตที่หน้าตึกมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกข้างซ้ายส่วนฝ่ายหญิงถูกฟันที่แขนและถูกแทงเข้าที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหนักศึกษาที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์ จึงรีบนำผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลจากนั้นนักศึกษาหญิงได้ลาออกจากวิทยาลัยไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้ไม่นานนักศึกษาที่อยู่ทํากิจกรรมตอนกลางคืนเมื่อถึงเวลาสองทุ่มครึ่งก็มาจะเห็นรูปปั้นหุ่นหน้าตึกสถาปัตยกรรมออกมาเดินแถวหน้าตึกเมื่อมีนักศึกษาไปพบเจอเข้าก็จะถูกหุ่นซึ่งถือมีดอยู่ในมือไล่ฟันแทงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด มีนักศึกษาในวิทยาลัยเจอดีกันหลายคนเพราะไปลองของลือกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนักศึกษาชายที่แทงตัวเองตายคงจะแค้นที่ฝ่ายหญิงยังไม่ตายจึงออกตามหาเพื่อจะฆ่าให้ตายตามกันคุณตัวนั้นจึงถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บของซึ่งเก็บอุปกรณ์การเรียนที่ผุพังไม่สามารถใช้ได้แล้วที่ตึกหลังวิทยาลัยซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นและถูกปิดล็อกไว้ตึกตึกนี้ไม่ค่อยมีนักศึกษาผ่านไปสักเท่าไหร่ เนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนตั้งแต่นั้นมาข่าวลือเรื่องหุ่นหน้าตึกสถาปัตยกรรมที่ออกมาไล่ทําร้ายนักศึกษาในเวลาสองทุ่มครึ่งจึงค่อยๆหายไปจากวิทยาลัยจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสองปีทางวิทยาลัย ไ, ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการจะมีการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างออกมาซ่อมแซมเพื่อ น, นาไปใช้ในการจัดกิจกรรม โดยขอแรงนักศึกษาให้มาช่วยซ่อมแซมมีนักศึกษาหลายนแผนกมาช่วยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาที่นี่เมื่อผ่านโรงนํากุญแจมาไขและเปิดประตูออกอาจารย์เดินนํานักศึกษาไปที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อนําโต๊ะเก้าอี้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆออกมาซ่อมแซมและทําความสะอาดใหญ่เบียร์และกอฟ เป็นนักศึกษาแผนกช่างยนต์ที่มาช่วยอาจารย์ซ่อมอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้ในงานสัปดาห์วิชาการของแผนกอาจารย์สั่งให้นักศึกษายกโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆออกไปหน้าตึกซึ่งเป็นลานกว้างพอสมควรอาจารย์บอกว่าจะทําความสะอาดกันตรงนี้ก่อนที่จะยกไปที่หอประชุมใหญ่เบียรถามอาจารย์ว่าต้องขึ้นไปเอาอุปกรณ์ที่ชั้นสองลงมาด้วยหรือไม่อาจารย์รีบปฏิเสธและสั่งห้ามนักศึกษาทุกคนขึ้นไปบนชั้นสองของตึกอาจารย์ให้เหตุผลว่า ชั้น2เอาไว้เก็บอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากนักศึกษาขึ้นไปเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากเศษแก้วที่แตกหรือตู้เก่าๆอาจจะล้มลงมาทับนักศึกษาได้อีกทั้งยังมีฝุ่นและหยักย่อยเต็มไปหมดจากนั้นอาจารย์และนักศึกษาจึงเริ่มซ่อมแซมและทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี e, ้และอุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆกอฟอยากจะขึ้นไปดูที่ชั้น2เพราะยังไม่เคยได้เข้ามาในตึกนี้เลยและรุ่นพี่เคยบอกว่าตึกนี้ถูกปิดมาหลายปีแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีนักศึกษาคนไหนได้เข้าไปเลยหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จบางส่วนอาจารย์สั่งให้นักศึกษานําโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนการสอนไปเก็บไว้ที่หอประชุมก๊อฟจึงชวนใหญ่และเบียร์ขึ้นไปดูที่ชั้น2เพื่อจะขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงและจะได้ไปคุยอวดรุ่นพี่ที่ยังไม่เคยได้ขึ้นไปชั้น2ของตึกนี้ทั้ง3มคนตกลงกันว่าจะแอบขึ้นไปตอนช่วงนักศึกษาและอาจารย์คนพวกอุปกรณ์ต่างๆมาไว้ที่หอประชุม เพราะเป็นช่วงปลอดคนไม่มีใครเห็นเวลาขึ้นไปจากนั้นทั้ง3คนจึงไปช่วยอาจารย์ทําความสะอาดอุปกรณ์และสื่อการเรียนกันต่อตามปกติเวลาผ่านไปจนกระทั่งเข้าสู่6กโมงเย็นจึงเริ่มทําการขนย้ายอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมและทําความสะอาดเสร็จทั้งหมดแล้วเข้าสู่หอประชุมใหญ่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ใหญ่เบียร์และกอล์ฟเข้าไปช่วยจัดสถานที่จนกระทั่งเวลาสองทุ่มแล้ว กอฟจึงชวนเบียร์และใหญ่เดินไปที่ตึกหลังเพราะขณะนี้อาจารย์กับเพื่อนๆก็วุ่นอยู่กับการเตรียมสถานที่ไม่มีใครอยู่ที่ตึกหลังแน่นอนเมื่อทั้งสมคนเดินไปถึงตึกเก็บของหลังวิทยาลัยก็พบว่าไม่มีใครเหลืออยู่หน้าตึกเลยบรรยากาศตอนนี้เงียบและมืดมากใหญ่ชวนเบียร์และกอฟกลับไปที่หอประชุมเพราะกลัวและไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้แต่กอฟท้วงว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะได้เข้าไปดูข้างใน จากนั้นกอ์ฟก็เดินนำเข้าไปโดยมีใหญ่และเบียร์เดินตามหลังเสียงเดินขึ้นบันไดที่ทำด้วยไม้ดังเอียเอ๊ยดเอี๊ยดบวกกับบรรยากาศที่เงียบสงัดตอนกลางคืนทำให้รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้น2ก็พบว่ามีห้องใหญ่ซึ่งเป็นห้องเก็บของอยู่ติดกัน3มห้องห้องแรกและห้องที่สองถูกปิดไว้และเมื่อเดินไปถึงห้องที่สประตูไม่ได้ปิดเพียงแต่เปิดแง้มไว ทั้ง3คนจึงเดินเข้าไปข้างในเบียรหยิบไฟแช็กและเทียนไขออกมาเพื่อจุดให้มีแสงสว่างช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้นข้างในมีหยักย่อยเต็มไปหมดมีตู้ใบใหญ่และอุปกรณ์การเรียนที่แตกหักผุพังอยู่ภายในเต็มไปหมดเมื่อเดินเข้าไปถึงหลังห้องทั้ง3มคนก็มาหยุดอยู่ตรงผ้าคลุมซึ่งคลุมสิ่งหนึ่งไว้คล้ายๆตุ๊กตาตัวใหญ่หรือหุ่นกอฟเอื้อมมือไปเพื่อจะเปิดผ้าคลุมก็พบว่า เป็นรูปปั้นหุ่นผู้ชายจูุ่ได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มลงมาจากมุมหนึ่งของห้องทั้งสามคนตกใจมากเบียร์ส่องเทียนไปดูตรงที่มาของเสียงก็เห็นเก้าอี้ตกลงมาอยู่บนพื้นตรงมุมห้องและเมื่อหันกลับไปใหญ่ก็ทำท่าทางตกใจสุดฉีดและบอกว่าหุ่นหายไปแล้วเบียร์และกอฟก็ตกใจเหมือนกันทั้งสามคนจึงตัดสินใจว่าจะออกไปจากที่นี่ ขณะที่กำลังเดินออกมาเพื่อที่จะไปที่ประตูก็มีเสียงปิดประตูเสียงดังปังและได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่นอกห้องเสียงเดินจากหน้าห้องกำลังเดินไปที่บันไดและเหมือนกำลังลงบันไดทั้งสามคนตกใจกลัวมากคิดหาทางออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อไปที่หอประชุมทั้งสามคนเดินไปที่ประตูเพื่อเปิดประตูออกและวิ่งออกจากห้องทันทีขณะที่กาลังจะถึงบันได ก็ปรากฏร่างร่างหนึ่งดักอยู่ตรงหน้าทางลงบันไดทั้งสามคนตกใจมากเพราะสิ่งที่ขวางอยู่ตรงหน้าก็คือหุ่นตัวหนึ่งซึ่งในมือกำมีดอยู่ทั้งสามคนตกใจร้องเสียงดังไปทั่วทั้งตึกหุ่นตัวนั้นเงื้อมือขึ้นมาแทงกอฟซึ่งอยู่ตรงหน้ากอฟหลบได้แต่ถูกฟันเข้าที่แขนเบียและใหญ่รีบพากอฟวิ่งลงบันไดพอไปถึงที่พักบันไดาขาของใหญ่ได้ไปติดในรูของแผ่นกระดานไม้ที่ผุพังใหญ่พยายามเอาขาออกมา ดยมีเบียร์และกอฟช่วยดึงหุ่นตัวนั้นเดินลงบันไดามาใกล้เข้ามาทุกทีและพันใดนั้นเองขาของใหญ่ก็หลุดออกมาได้ทั้งสามคนได้วิ่งออกไปจากตึกไม้ทันทีและยังได้ยินเสียงหุ่นตัวนั้นเดินตามออกมาไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยสักคนใหญ่เริ่มเดินไม่ไหวและเลือดเริ่มไหลออกมาจากขามากขึ้นเบียร์บอกให้ใหญ่แข็งใจเอาไว้ใหญ่ไปไม่ไหวจึงซุดตัวลงตรงนั้น เบียบอกให้กอล์ฟซึ่งมีเลือดออกที่แขนอยู่เชื่อพยุงให้ใหญ่ขีหลังเบียรหุ่นตัวนั้นเริ่มเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นเบียรซึ่งมีใหญ่ขีหลังอยู่และกอล์ฟซึ่งมีเลือดไหลที่แขนไม่หยุดรีบวิ่งไปที่หอประชุมเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อไปถึงหอประชุมเพื่อนๆเห็นเข้าก็ตกใจมากจึงรีบวิ่งไปบอกอาจารย์อาจารย์รีบโทรเรียกรถพยาบาลมาทันทีเมื่อรถพยาบาลมาถึงก็นําตัวกอล์ฟใหญ่และเบียรขึ้นรถ เพื่อไปโรงพยาบาลทันทีขณะที่รถแล่นออกจากวิทยาลัยเบียมองออกไปนอกตัวรถบรรยากาศในวิทยาลัยคืนนี้ช่างน่ากลัวและเย็บเหงาเสเหลือเกินและสายตาของเบียก็ต้องหยุดอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งหลังต้นไม้นั้นมีหุ่นตัวนั้นยืนอยู่และกำลังมองมาที่รถพยาบาลหลังจากนั้นตอนเช้ามีคนพบว่าหุ่นตัวนั้นไปอยู่หน้าตึกสถาปัตยกรรม อาจารย์และพานรงจึงนำผ้ามหาหอและมัดไว้เพื่อ น, นาไปเก็บไว้ที่ตึกไม้หลังวิทยาลัยและปิดล็อกไว้อย่างเดิมปัจจุบันตึกไม้ดังกล่าวได้ถูกรื้อทิ้งและสร้างเป็นตึกเรียนใหม่แต่ไม่มีใครรู้ว่าหุ่นตัวนั้นได้ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่ไหนหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ